การห่วงใยกับหมู่เพื่อนนั้นมีความห่วงใยและรู้สึกว่ามีมากกว่าแต่ก่อนที่เราทํางานในการอบรมสั่งสอนดูแลหมู่เพื่อนได้อยู่แต่ก่อนทุกวันนี้ธาตุขันไม่เอาไหนความคิดก็อยู่กับตัวกับตัว ไม่อยากจะคิดออกไปที่ไหนไหนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพียไม่อยากคิดมองดูหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเนรันก็ยิ่งเรลวลงในสายตาของเราที่ไม่ค่อยได้เข้มมวดกวดขันกับหมู่กับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนตัวเองนั้นไม่ทราบ ว่ามันเจริญขึ้นหรือมันเลวลงมันาเป็นอยู่ด้วยความเคยชินของจิตนั่นแหละผลักดันกิิยาให้แสดงออกมาในท่าอย่างนั้นนีมันอดคิดไม่ได้เมื่อนั้นสัมผัสเข้าไปแล้วในกิริยาอาการทั้งๆ ท, ที่เจ้าตัวไม่มีเกฐานา ว่าได้แสดงออกมาอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหรือมีกิริยาอย่างนั้นออกมาแต่คำว่าธรรมก็ดีคำว่ากิเลสก็ดีเป็นความไม่ลำเอียงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติสําหรับธรรมเป็นอย่างนั้ น, น, นจริงอดรู้อดคิดไม่ได้ เนนนี่ก็มาอยู่หลายองค์ด้วยดูแล้วก็มันทำให้อ่อนใจนะพวกเนนมันเป็นยังไงอยู่ก็แบบหลับหูหลับตาอยู่หลับหูหลับตาไปพระก็เหมือนกันแม้ที่สุดไม้กิ่งไม้ที่ตกลงมาขวางทางอยู่นั้น ซึ่งเป็นทางของพระพระเ น, นเดินผ่านไปมาริงไม้นั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นคือไม่ขวางตาสะดุดใจบ้างเลยต้องเป็นเวลาปัดกวาดโน้นถึงจะปัดกวาดแล้วถึงจะเจ็บเจ็บออกทิ้งเวลาปกติแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเรานี่อีนอึ่น ว่าเราเดินไปไหนเราเดินไปจริงๆรบูจริงๆที่พิจารณาจริงๆไม่ใช่เดินไปเฉยเฉยสิ่งใดที่จะพาดจริงกับพระกับเนนมันก็อดคิดไม่ได้ดังที่ว่าเนี่ยสิ่งใดที่พระที่เนรน่าจะเห็นน่าจะรู้แต่มันก็ขวางตาอยู่ได้ประหนึ่งว่าไม่รู้ไม่เห็น ก็คือความไม่วนใจ ค, คิดนั่นเองจิตมันไม่แยบออกมาสติความเจิดจ๋ อ, อไม่ปรากฏออกมามันก็ไม่รับทราบเรื่องอะไร mm. ก็เลยเป็นแบบหลับหูหลับตาไปหลับหูหลับตาอยู่นะันไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญา mm. เรื่อนี้มันแสดงให้อินนาอาใจต่อการแนะนำสั่งสอนไม่น้อย สอนนั่นสอนเพื่อความรู้ความฉลาดแต่กิริยาที่ได้มองเห็นมันกลับตรงกันข้ามมันเป็นความโง่ความเน่าความพเพ้อเสร่อซาซาตายเป็นความไม่เอาไหนไปแล้วน่ะแล้วจะให้อดคิดอดพูดได้อย่างไรในยา น, นี้ผมไม่ค่อยด้กเกี่ยวกล้องกับหมูกับเพื่อนด้วย ดูตามลําพังเจ้าของก็พอเรื่องรา่มันจึงเป็นอย่างนั้นกรทั้งที่หมู่เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นมันนักเป็นเพราะความนอนใจนั่นแหละไม่ใช่อะไรความนอนใจเขาเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราก็ไม่ไทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนมันไม่ได้คือความนอนใจมันคือทะเวตมันคือทวีตยุโรปนู้น ยิ่มันไปอยู่ทวีปยุโรปมันไม่ได้อยู่กับคนที่แสดงอากับกิยาอยู่ในเวลานั้นๆเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่ทำยังไงถ้าปฏิบัติก่นับวันจะเหลวแหลกไปทุกวนัวนทุกวันอันนี้ก็อดคิดไม่ได้การแนะนำส่องสอนมู่เพื่อนผมก็ได้พูดโดยตรงให้ฟังไม่อ้อมค้อม สอนตามแบบตามฉบับที่ได้ศึกษาเรียนมาจริงๆเพราะการศึกษาเรียนเราก็มีหลักอันใหญ่โตตั้งขวางหน้าไว้แล้วคือเรียน10ึบเรียบร้อยตามชัดเจที่ตั้งเอาไว้แล้วนี้จะออกปฏิบัติท่าเดียวเท่านั้ น, นในเวลาที่ศึกษาาเรียนอยู่ จึงต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาสาระอันสำคัญสำคัญสำคัญจากธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินยัยพระประมัติค้นคว้าเป็นกติกำลังความสามารถที่จะได้นำออกมาปฏิบัติต่ตอตอนเองและการแนะนำส อ, สอนเพื่อนฝูงในวาระต่อไป แต่หลักใหญ่นั้นมุ่งเพื่อตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอัตในธรรมนี่ต่างๆเพื่อมาเป็นคติสอนตัวเราเองเพราะอย่างไรเราจะต้องออกปฏิบัติดังที่เคยพูดแล้วนั้นคือยาปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้ถึงความพ้นทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้ เนรางการศึกษาเราเรียนจึงเพื่อเป็นคติอันดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแล้วยึดไว้ปฏิบัติอย่างถึงใจเช่นเดียวกันหมดแล้วเวลามันผ่านมาผ่านมาก็เลยกลายเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนก็ได้นำปฏิปทา ในตำรับตำราที่เคยได้ศึกษาเ ร, าเรียนมามาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนการแนะนำสั่งสอนนั้นเราเรียนมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรก็แน่ใจว่าเหล่านั้นไม่ผิจึงแนะ น, นํามาแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นแง่ใดสอนแบบไม่มีอ้อมพร้อม สอนแบบตรงไปตรงมาเฉพาะที่สำคัญก็คือคิตตะภาวนาด้านภาวนาของพระเราคือพระธุรงกรรมฐานมีเราเน้นหนักเอมากทีเดียวในจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระโดยแท้ดังที่ครั้งพุทธการท่านอบรมสั่งสอนภิกษุบริษัทมา เราก็ได้เห็นท่านสอนก็เอาหลักปัจจัยสีนี่แหละเต้นเครื่องพร่ำสอนแต่ปัจจัยในทางธรรมเป็นอย่างหนึ่งปัจจัยเพื่อกิเลสมันก็เป็นอีอย่างหรือว่าปัจจัยเพื่อธรรมปัจจัยเพื่อกิเลสมันผิดกันพระพุทธเจ้าทานสอนเครื่องปัจจัยสีนั้นเพื่อธรรมล้วน แต่พวกเราเนะมันย้อนลูกสอนมากับไปเพื่อที่เด็ดล้วนล้วนไปเสียนี่ที่ที่หน้าทุเรศอันหนึ่งสอนที่อยู่ก็ดังที่เคยพูดแล้ว น, นั่นแหละแบบของาศาสดาพาดำเนินมาแล้วและเนืงประธานาว่าแจะสาวกมาเย็บร้อยแล้วที่เช่นไหล น, นั่นอังเดย เึ้นจะเรื่องภาวนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนพิสษุบริษัทธ์อ่านแล้วอ่านเล่าดูแล้วดูเล่าเพราะจะเอามานำมาปฏิบัติเนี่ยไม่พินิตพิจารณาตามได้อย่างไรเรียนเพื่อเข้าเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่ออำนาจปรารนาไปในทางแบบโลกโลก แต่เรียนเพื่อเข้า อ, อกเข้าใจในธรรมทั้งหลายแล้วจะได้นำมาเป็นเครื่องแก้ที่เด็ด น, นะจริงต้องได้เรียนด้วยความพินิจพิจรารณาใจรองได้ธรรมะบทใดาบาทดใดที่สำคัญก็ลอกออกมาตดออกมาลอกออกมาใส่สมุดพกเล่มนั้นเล่มนั้นอยู่หน้านั้นหน้านั้นเรื่มราบเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น นี่ได้ลอกออกมาอย่างนั้นยอ่ยอๆยอ่อๆพอจับ น, นั้นปั๊บมันก็จะกระเทือนถึงจุดที่เราต้องการค้นดูเล่มไหนก็ได้ในเขียนมายอ่ยอๆนั้นก็บอกไว้ด้วยว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรยอ่ยอๆถ้าต้องการพิสูจนก็ให้ดูเล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นเขียนลอกออกมานั่นละด้วยความสนใจ พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนขาวกมีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นเป็นเรื่องการชำระกิเลสทั้งมวลไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นข้อกังวลวุ่นวายไปตามโลกตามสงสารสถานที่อยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายพอที่จะทำให้เสียทางด้านจิตตภาวนาค้ากิเลสไป ก็ฟังที่รู้ขโมยเรืองอาสนะนี่ขึ้นต้นเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าชั้นเอกเลยพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วก็เท่ากับว่าอย่างนั้นมี่ตถาคตได้ดําเนินมาแล้วอืขึ้นนี่เลยจากนั้นกับรรดาเลยในอนุศาสต์เราก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วมีที่ไหนที่เป็นที่กังวลยุ่นรายดังที่ท่านประทานไวแได้ในอนุศาสตร์แม้จะเป็นปริยายก็ตาม นอกจากลุกขโมเเื่อนาสถานนี้ไปแล้วกว่าตามก็บอกไปเรื่อยตามถ้าเนื่อผาป่าช้าป่ารกชัดไป็นั้นนั่นสั่งเด็ดนี่ที่อยู่ของพระ mm hmm. ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนอันจะทำให้เสียในทางภาคปฏิบัติเช่นอึกฤทธิคึกโคมรมยุผู้คนสัญจรไปมาในสถานที่เช็นนั้นท่านให้หลีกให้เย้นโดยลาดับลำดา ตั้งที่จอมปราดท่านให้ดีให้เว้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นภัยจริงๆแล้วกับพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้เป็นอย่างไรนี่ อ, อันหนึงบิณฑบาตก็ให้ระมัดระวังสังรวมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติไปด้วยทำด้วยยึ่ง่ยมีการสังรวมอิตาพอนาย่อมเป็นไปด้วยกันตั้งแต่ขณะก้าวออกจากวัด สถานที่อยู่จะในป่าในเขาก็ตามจนถึงหมู่บ้านกลับออกมาด้วยจิตติปกรณาแปนข้อวัดประจำอยู่พานจในจิตใจอย่างลึกรับด้วยความทั้งรวมระวังให้เป็นที่งามตางามหูเวลาพูดในเวลาจำเป็นก็ดีก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะสมนั่นก็เป็นวดัด จีวรก็บอกแล้วเรื่องมังสุกุลนี่เราก็ทราบจะรู้หลาอะไรผู้จะฆ่าที้เดชไม่ใช่ผู้รู้หลาแบบกิเหล็แบบชี้เหล็มันรู้หลาแต่แบบทำแล้วโกงมันข้ามไม่รู้หละอยู่ยาก็เกี่ยวข้องรักษาแต่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจ วุ่นไปตามอยู่ตามยาซะโดยถ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงถังมีอารียยสัตว์จะทำเป็นต้นพอให้ได้สติสตังและปัญญาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไข้โดยป่วย น, นี่แหะปัจจัยสีนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทธ์ในัางนั้นเน้นหนักเอามากทีเดียว เ, เวลามาเฝ้าพระองค์ก็รับสังถามถึงเรื่อง กระภาวนาไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไงไปอยู่ที่นี่เป็นยังไนะงนั่นลองรับสัง่งถามด้วยพระเมตตาบางทีก็มีพระเล่าทุนถวายท่านจากผลแห่งการดําเนินด้วยการปฏิบัติของตนจนถึงที่ขัดข้องในตามแง่มุมต่างๆพระองค์ก็ประทานโภวาเป็นทางที่เปิดโล่งไปโดยลําดับลำดับ นี่คือคำสนธนาระหว่างภิกษุด้วยกันก็ดีระหว่างภิกษุบริษัทกับพระพุทธเจ้าก็ดีท่านสนธนากันอย่างนี้โดยยกสันเลขธรรมสิบข้อนี้เป็นพื้นฐานแห่งการสนธนาของผู้เห็นภัยในวัตรงสารเพื่อจะให้ถึงพันิ์านด้วยการประกอบความภาคเกียน โดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยอปิชตานันังเลนี่เป็นทำเครื่องสนทนาของพระในครั้งพุทธตาท่านถือเป็นพื้นอันสำคัญไว้เลยเรียกว่าสันเลยกรรทสันเลยทะกถาทำเป็นเครื่องกล่าวเพื่อ ก, การชำระหรือการฟักฟอกชะล้างเกลือมีสิบข้อด้วยกั น, น เริต้นกับอปิดตาไม่ให้เป็นกังวลกับอะไรอะไรมากน้อยที่สุดไม่ยุ่งไม่เหยอะเหมือนกับนกที่มีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินผลไม้หรือลงบึงลงบ่อหนองที่ไหนเวลาจะขึ้นจากบึงจากบ่อจากหนองที่ไหนตลอดจะบินจากต้นไม้ต้นใดที่ไปเกาะไปกิน นกเหล่านั้นไม่เคยมีความเยื่อใหยกับบึงหนองเหล่านั้นและต้นไม้มันนั้นบินไปเฉพาะ ป, ปีกกับผางด้วยความหายกังบนทุกอย่างโดยถายเดียวเท่านั้นเท็กนซะ์สูตทั้งหลายพึงทําตัวของตัวให้เป็นอย่างนั้นนั่นท่านแยกออกมาไปอยู่ที่ไหนยาติดคนเคารพนับถือยาติดลาบสักการะบูชายาติดที่เขา เชื่อเขาเรื่องใสยาติดสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นหรืออาหารชนิดต่างๆที่อยู่ตามบึงทั้งหลายที่นกไปเที่ยวหากินนะ่เทียบครั้งีิไปที่ไหนไปยาติดให้มีความปรารถนาน้อยที่สุดปรารถนาน้อยที่ที่สําอที่สุดก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายนิน่มซ้ําผู้ที่จะแปลเข้าให้ สู่อารมณ์แห่งธรรมที่ละเอียดก็ออยายุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอารมณ์กับผู้หนึ่งผู้ใดาอาหารปัจจัยใดยทั้งสิ้นนี่ให้อยู่โดยลำพังเจ้าของคำว่าโดยลำพังคืออยู่ด้วยนักภาวนาไม่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายปต่กับสิ่งภายนอกซึ่งจะเป็นการสังสมเจดีขึ้นมาภาณใจั แต่คิดเป็นอารมณ์แห่งธรรมรวนรุนรนร น, นซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ที่เละมนทินตั้งหลายอยู่ภายใ น, ในใจของตนให้ค่อยหมดไปโดยลำดับนี่อปิชตาคือความมากน้อยไม่ยุ่ง ก, กับอะไรทั้งนั้นทัดลงมาก็สันตุถีคือความสันโดษในความมี ในสิ่งที่เกิดที่มีเพียงเท่านั้นไม่วุ่นอย่างวุ่นวายไม่ขอไม่กวนใครนี่เป็นเป็นธรรมที่ลดหย่อนกว่าอปิษฐตาลงมาถึงจะมากกว่านั้นก็าตามแต่ก็ไม่รบ ก, กวานอะไรยินดีเท่าที่มีนี่เท่านั้นไม่ให้มากกว่านี้ไม่ให้ยุ่งสันโดษออกจากนั้นก็เรียกกระตาเนี่ยบางทีชอบที่ใดเป็นที่สงัด งบเงียบที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นคือชอ บ, บเบเ่อสงเกอยู่ตลอดเวลาอาสังสคณิกาไม่กุศลกับผู้ใดไม่ว่าเพื่อนฝูงเดียวกันและประชาช น, นหาเหตุหาผลไม่ได้มีความหนักอยู่กับความเพียรตลอดเวลาเรื่องความเพียร น, นี้เป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นท่าใด ต้องเป็นท่าความเพียรทั้งนั้นเป็นพื้นความหมายมั่นตั้งมืออยู่กับความเพียรเพื่อชั라ธรรมะกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ขาดทุนศูนย์ดอกในเอียบทใดๆทั้งนั้นฟังให้ดีวิเวกตาก็พูดแล้วชอบถนัดวิเวอสังสนิกาก็พูดแล้วตะทีนี้วิริยลัมพานั่นฟังอ มีความเพียรเป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอาบุใดความเพียรจะหมายถึงอะไรที่เป็นคู่เพียงหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแห่งความเพียรเพื่อจะได้เป็นผลขึ้นมาเท่าที่ควรหรือเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาสติจริงเป็นพื้นฐานนั้นสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสติในขั้นเริ่มแรกนี้สติเป็นสาคัญมากทีเดียวต่อไปเรื่องสตินี้ไม่ต้องพูดว่าจะไม่สาคัญแต่เรื่องตั้งรากตั้งฐานที่แรกนี้สติต้องออกหน้าออกตาทีเดียวต่อไปสติทำงานด้วยความรู้จักหน้าที่ของตนจนกลายเป็นสติอตัตโนมัติแต่แล้วนั่นเป็นอีกประเภทหนะึ่ง ปัญญาก็ต้องใช้ความพินิตพิจารณาค้าควรใส่จตรองเสมอเพราะเราอยู่กับโลกมีความสัมผัสสัมพันกันกับโลกระหว่างโลกกับเรานี่มันมีเครื่องรับกันอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกล่้งกายของเราไม่เพื่อรับโลกจะไปรับอะไรนี่จะต้องได้ใช้ปัญญาควรสัมผัสไม่ควรสัมผัสควรดูควรฟังหรือไม่ควรดูควรฟังต้องได้ใช้เสมอ เพราะอย่างนี้ความหลบดีปิดตัวตลอดเวลาจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แล้วเป็นความชอบธรรมของผู้ปฏิบัติท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่ิเวศสงบนะศีลกับมอนกันศีลก็อยู่กับสติผู้รักธรรมย่อมรักศีลผู้มุ่งในธรรมมากน้อยเพียงใดศีล น, นี้ก็ต้องเป็นคู่ร่วมหายใจไปเลยขาดไม่ได้สังพร้อยไม่ได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งคน แล้วก็สมาธนินี่ก็เป็นข้อหนึ่งทำให้เกิดให้มีให้สงบสมาธิเป็นเครื่องหักห้ามกระแสของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหาประมาณไม่ได้ก่อแต่ไฟเผาตัวถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะหาความสงบไม่ได้พระเหลาจึงต้องละประกอบความภาคเทียมเพื่อจิตให้สงบจนได้ จิตจะสงบด้วยวิธีการใดจะตั้งแต่สติเฉยไม่มีเครื่องช่วยก็ตั้งไม่ได้นะผมนี่ไม่ใช่ปุยมันเคยมาแล้วตั้งสติล้มผอยตั้งสติล้มผอยล้มผอยจนโถ น, <S <S <ๆ>น้ําตาล่วงนี่ใคยพูดให้หมวกฟันฟังไม่รู้กี่ครัง้งกี่โหนจึงต้องใช้อุบายหลายด้านหลายทางมาฝึกทรมานนี่เป็นเครื่องเียกว่าช่วยแติเครื่องอุปกรณ์นํำมา ทำวิธีไหนมันก็ไม่ได้เลื่องเดินจงกรมนานๆมันก็ยังไม่ได้เลืองอดนอนมันก็ไม่ได้เรื่องนี่อดไปอดไปเลยทื่อไปหมดสมองลึกร่างกายเราทุกส่วนกลายเป็นเรื่องทื่อไปหมดสติปัญญาก็เลยนี่ก็ไม่ได้ผลก็รู้สุดท้ายมันจึงมาลงที่อดอาหารอื่เห็นครับเพราะอดอาหารนี่แหละเครื่องช่วยไม่ใช่ เราฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารอันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยสติปัญญาของเราให้เด่นขึ้นมาโดยลำดับไม่มีเครื่องหนุนมันไปไม่ได้เพราะกําลังของธาตุขัน ม, มันมีมากมันปริล้มไปหมดเลยสติปัญญาไม่มีความหมายพอตั้งพับล้อมไปพร้อมตั้งพับล้อมไปพร้อมล้อมไปพร้อมเลยเมื่อมีเครื่องช่วยแล้วตั้งตั้งได้ตั้งได้ก็รู้รู้ขึ้นมาเลยว่าอ๋อ คำมัธยสตินเป็นอย่างนี้คืออยู่กับตัวอยู่กับตัวนานไปก็ติดต่อสืบเนื่องบเดิมดําดับเพราะอะไรแน่กับเพราะอดอาหารแน่รู้แล้วทีนีจับเมื่อนันไรล่ะเพราะฉะนั้นความอดอยากขาดแคลนประการใดมีความทุกข์ความยากลําบากขนาดไหนเราก็ทราบไม่ทราบเมื่ไงไม่อยากทําไม่อยากทุกแต่มันจําเป็นต้องได้ทําได้ทุกเพราะทางผ่านไปตรงนั้นที่จะให้เกิดประโยชน์จะตนนะก็ต้องได้ทํา ทัง น, นั้นปัญญาพิจารณาอะไรก็พอเป็นช่องเป็นทางเนี่ยเมื่อช่วยมันช่วยไปได้ทั้งนั้นถ้าเป็นประโยชน์แล้วนี่สมาธิที่ว่าสมาธินี่เหมือนกันต้องได้อาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยหาอุบายพิธี พ, ธพิจารณาดังนั้นได้เตือนหมู่เพืนเสมอเดินไปไหนไม่มีสติสถางเหมือนรับหูรับตาไปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสติมีหมายถึงอะไร ใครก็ลืมลืมตาด้วยกันทุกคนไม่ได้มีคนหลับตาพระหลับตาในวัดนี้เดินไปตามถนนทางไปในที่ต่างๆลืมตาไปนั่นทำไมจึงพูดว่าหลับตาไปฟังสินั่นก็คือสติไม่มีมันเป็นยังไงมันต้อเป็นนั้นเสื่อซาซามองดูแล้วเหมือนบ้านี่มันเห็นอยู่นี่จะว่าไงไม่ใช่หาเรื่องช่หมู่เพื่อนก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สวเพื่อนเพื่อความดีความดีแล้วมาหาเรื่องจะกการหาอะไรนั่นฟังสิ พอเมื่อมันเจ อ, อย่างนั้นจะให้ว่าอย่างไงเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเพื่อดีเพื่อดีกว่านี้ทําไมสิ่งของนี้มันจึงมาขวางหน้าของตาเท่มลูกกระตาของเราแทบจะแตกนุ่นมันเป็นยังไงนั่นมันจึงได้พูดออกมานล้วเองนะพูดจิริยานาท่าทางอะไรแล้วมันแสดงออกมามันมันเป็นเรื่องของจีนิคของจีนิคเท่เทมตานี่จนได้จนได้เจ้าของไม่รู้สบายสบายเลยไม่ทาาราบสบายแบบไหน อั่างที่พูดเมื่อเช้านี้ก็ไม่ทราบได้แล้วสมาธิแบบเียวเขาจูงไปกัดหญ้าไปกินไปเรื่อยแล้วไม่ทราบเลยว่าเขาจะจูงไปสู่ที่ข่านะเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยที่เดิมันจูงไปทําลายไปสังหารไปฆ่าก็เป็นอย่างนี้เองจูงพวกเราทั้งหลายไม่มีสติเนี่ยพูดถึงขั้นสมาธิก็ต้องมีอุบายสติ mm hmm. ช่วยอะไรจะมีสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วจิตมันจะคึกขน้อง เหมือนม้าตัวขนอนนี้ก็เถอะว่างกันเลยนะพ้นสติไปไม่ได้เมื่อสติจับติดแล้วต้องดูอันนี้สติตั้งภาพหายไปหายไปเอ๋ออะไรมาอยู่สติตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดจิตจะหาความสงบที่ไหนมันก็ไปได้อย่างภาพอย่างผลเต็มที่ของมันชุดเบี่ยงว่างกันเถระเพราะฉะนจึงต้องได้อาศัยสติปัญญาหาบาวิธีการให้จิตมันสงบให้ได้มันทำไมจะสงบไม่ได้ ตั้งแต่เราภาวนามานี้กีวันกี่เดือนแล้วมันทําไมมันสงบไม่ได้จิตนี่น่ะหาอุบายเอาจนได้มันสงบได้แน่ๆตอนนี้อุบายไม่ถูกหรือไม่สนใจในอุบายก็ทราบมาได้นะงันจึงไม่สงบเนี่ยถ้าจิตสงบแล้วมันก็มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยเดินทางก็มีร่มไม้ชายคาพอพักพอพอนมีน้ํามีข่าพอดื่มพออาบพอสงส์นี่ จิตมีสมาธิมีความสงบบ้างมีความสบายพอพักผ่อนอารมณ์ได้นี่เป็นข้อนึงของสมาธิแล้วไม่จาเป็นต้องอธิบายแต่หลายขั้นของสมาธิจากนั้นก็ปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วเราจะคิดอ่านทางด้านปัญญามันพอคิดพออ่านเพราะต้นทุนมีแล้วจิตใจอิม่มต่ออารมณ์ของโลกทั้งหลายอยู่จําเพาะตัวมีความสงบสะดวกสบายอยู่แค่นี้เป็นแต่เพียงว่าเพินไม่หยาก ทำการทํางานที่จะให้เกิดผลประโยชน์แล้วอยากวิ่งกว่านี้เข้าไปเท่านั้นตอนนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์แนะนําสอนถ้าออกทางด้านปัญญาออกให้พาทํางานการทํางานทางด้านปัญญามันก็เหมือนทำงานทางโลกเอานั่นแหละมันต้องใช้จี亚ธาทางใช้กําลังบางชาอันนี้ก็ต้องใช้กิรยาบางกงกําลังบังชาอยู่ในสปัญญานั่นแหละเรียกสิ่เรียกว่าทํางานแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นความลําบากไม่สบายแล้อยากวิ่งเข้ามาถูสมาธิเสียนั่น จึงต้อง บ, งบังคับหายไปที่อื่นไม่ไปจิตเป็นสมาธิแล้วท่านยังสอนว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพราโขติมาในสร้างสร้างปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนหรือเป็นเครื่องบำบุงแล้วย่อมเดินข้างตัวน่ะนี่แปรทางภาคปฏิบัติแปรอย่างนี้สิมันนี่ไม่หัวใจเจ้าของแต่อะไรเป็นนอนแท้อดาดัดหยิบเฉยไม่สนใจแก้ขี้เดือดเอาอะไรมาเป็นประโยชน์นี่แปรนี่แปรเพื่อแก้ขี้เดืดมันจะผิดไปไหนอืมเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุน แล้วปัญญายจะเดินคล้องตัวเดินสะดวกสบายพิจารณาอะไรก็ได้เป็นทิ้งเป็นอันนั่นปัญญาปริพันต์ทางจิตตทางซ้ำมาเดวะอาเสวีมุจจติจิตเมื่อปัญญาเป็นเครื่องซักชักฟอกแล้วย่อมดุจพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นแหละปัญญาเป็นผู้ชักผู้ฟอกเป็นผู้ถอดผู้ถอนกิเลสโดยปโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเพราะปัญญาในทั้งนั้น แล้วกหลุดพ้นจากที่เดืดโดยชอบฟังที่ไม่ผิดไม่ไม่ไมด้หลุดพ้นจากทีเดือดโดยผิ ด, ผดประลาดไปโดยชอบชั<ฮ>่งมาเดวะอาสุริหิมุจติยอดผุดพ้นจากที่เดืดทั้งหลายโดยชอบ<ฮ>ปัญญาท่านแสดงไว้ในสันเดชะธรรมจากนั้นก็ถึงขั้นวิมุติเมื่อมีปัญป ญ, ญาแต่กล้าสามารถแล้วกับวิมุต จะสืบเนื่องจะเป็นลำดับจนกระทั่งถึงม mm ูดวิมุตติยานทัศนะนั่นสิบข้อแล้วความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วยังยังรู้อีกว่าหลุดพ้นแล้วท่า น, นี้ว่าญาทัศนะความรู้แจ้ง mm hmm. เห็นชัดในความหลุดพ้นของตน mm hmm. ซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะจากนี้แล้วจริงจะไปหาวิมุตติยานทัศนะมาพอเกิดขึ้นพับก็รู้ทันทีทันทีเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ในขณะ น, นั้นแต่มื่ มันเป็น ค, นคนละอย่างเราจะพูดเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ท่านจนึงสอนว่าใครจะละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะท่านจึงแยกเป็นอย่างมากมสีผลสีนิพานหนึ่งนั่นฟังสิมากสีผลสีนิพานหนึ่งพูดถึงอาหารหัตผลก็ถึงถึ ง, ถงนิพานแล้วทําไม่พูดนิพานหนึ่งไว้ทําไมนั่นมีกิริยาหนึ่งอยู่ในนั้นที่ท่านจะพูดเพราะท่านละเอียดละออพวกเรามันหลับตาฟังหลับตาพุทปฏิบัติมันจะไปรู้เรื่องรู้ ร, ร, ราวอะไร เนี่และทำเป็นภาคพื้นของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าไม่นําเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเข้ามายุ่งกับวงปฏิบัติเลยมีแต่เรื่องอย่างนี้ล้วนๆพอเจอกันเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงสบายไหมสะดวกไหมหมายถึงภาวนาแล้วนั่นภาวนาเป็นยังไงได้เหตุได้ผลอะไรบ้างนี่ย แม้จะพระท่านสนทนากันท่านก็สนทนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นไงอยู่ที่นี่เป็นไงแล้วปลายไปอยู่ที่นั่นอาปลายไปอยู่ที่นี่นัไปไป่ น, นมีจะได้เข้าป่าเข้าเขาเขา้เข า, เขาที่สงบพเงียบเพื่อจะฆ่าที่เด็ดโดยตรงเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนพิสุบุริสัตว์ท่านสอนนี้ผมก็พยายามดึงออกมาให้หมู่ให้เพื่อนทั้งหลๆได้ฟังได้ยินได้พิพจารณาไม่ใช่ออกมาอยากแบบด้น ด, นด้นเดาเดา ออกมาจริงๆเจ้าของก็ได้เรียนจริงๆเสาะแสวงจริงๆหาสานะจากธรรมทั้งหลายแล้วนั้นจริงๆแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆจึงพูดกับหมูกับเพื่อนด้วยความไม่สะทกสะ찬ใครจะว่าบ้าก็บ้าไปได้เรียนมาอย่างนี้เห็นมาอย่างนั้นได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนั้นผลจะได้มากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเจ้าของดังที่มาสแสดงให้ฟังนี้พิจารณาไปนี่ละทางของท่านดําเนิน <c oughs> ศา ส, สนาเจริญจะเจริญด้วยนี้กับพระเราถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้แล้วหาความเจริญมาได้กับพระมีแต่ผ้าเหลืองเต็มไปหมดในวัดก็ตามตามร้านตลาดก็ตามไม่เป็นของแปลประหลาดอนใดเลยถ้าข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมเหล่านี้ไม่อยู่กับจิามรราณญาตในหัวใจของพระแล้วยังไงศาสนาก็คิดหายว่าพวงเปได้ทั้งๆั้ที่ภูมิใจนั้นว่าเราเป็นพระนะวเวลานี้เป็นยังไงพวกเรา ที่ทำเหล่านี้ที่ปูดมาเหล่านี้มันเป็นยังไงมันจังหวัดจังพรรณหัวใจของเราทั้งวงใหม่เอาพิจารณาสิ่งยาไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นคนใดก็ตามเรามาปฏิบัติเพื่อทำที่เลสอยู่กับเราทําอยู่กับเราแก้อยู่ที่ทีหัวใจเรามันต้องถูกไม่ต้องไปยุ่งกับใครแหละผ้าเหลืองๆก็ผ้าพวกเรานี่เกลื่อนอยู่ในบ้านในวานี่ก็จะไปเกลือนที่ไหนเกลื่อนอยู่กับผ้ากำเนิดเรานี่ทามันเลหลวไหลมันก็เลหลวไหลอยู่นั่นจะว่าไง ศาสนาก็เสื่อมอยู่ทั้งจิตเจ้าของภูมิกันว่าเราเป็นพระกรรมฐานอยู่นั่นะมันจะไปที่ไหนทาให้ตั้งใจพุทธปฏิบัติเนี่อที่จะพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนมาโดยลําดับลําดาดึงออกมาดึงออกมาถอดออกมาตรงไหนที่จะเป็นคติแต่หมู่แก่เพื่อนดึงออกมาเราก็ยิ่งมาถึงระยะนี้แล้วทําให้เป็นความห่วงใย ห, หรือว่าเป็นกังวลกับหมู่กับเพื่อนเจ้าของทําหน้าที่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อน อยู่ลําพังเท่านั้นก็พอแล้วเวลานี้ตามปกติแล้วต้องอยู่อย่างนั้นทรงท่าสรงขันอยู่พอดิบพอดีไม่ยุง่งอะไรกับใครเลยยินถวัลสมาแล้วให้เป็นตามอัจฉริสัยนะยินถวัลสมาสองสามลายเท่านั้นมาแล้วมาจับทุกบปั๊บขันเสร็จแล้วหนีเงียบจะเข้าป่าเข้ามันที่ไหนถ้าเข้าไปแล้วนี่ในฐะานะว่าอยู่กับหมู่เพื่อนก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไม่ได้ว่าแต่ทาอัาฉาริยสัยจริ ง, รงๆแล้วไปนานแล้วนาะน ไม่อยู่ที่ไหนเป็นตา่าเป็นเขาที่ไหนมีบ้านมีเรือนจีรังคาเรือนพออาศัยเขาเท่านั้นพอแล้วพอแล้วเหมาะแล้ววางั้นเลยกับความเป็นอยู่ของธาตุของขันพอถึงเวลาที่จะจากกันแล้ววางจิตกับธาตุกับขันนี่พอแล้วเท่านั้นเองอันนี้ก็หัวใจโลกหัวใจโลคหัวใจเราก็เอามาเทียบมาเทียงกันจึงไม่ทนถูถายไปมาอย่งนี หนักมากน้อยอยังไงก็ทนนอกจะจะทนไม่ไหวจริงๆก็ก็ต้องบอกว่าทนไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนแต่พอถือไถ่แล้วก็ต้องถูอไถดังที่ว่ามันมีน่ยเพราะเทียบหัวใจท่านหัวใจเราหัวใจโลกหัวใจเรามเหมือนกัน <c oughs> ท้ายก็ต้องสอดส่งหาที่เกาะที่พึ่งพิงพิ ง, เ, พ ง, เ, พงเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราแม้เราเองก็เคยพูดแล้วที่สอดสวงหาครูอาจารย์นี่ไม่รู้กี่รูตีอาจารย์ มันไม่แน่สนิทในใจมันก็ไม่ลงใจคนเราไม่ว่าท่านมาเราอีกตรงนี้ก็ดีนี่จะไม่ถูไถ่อาไปอย่างนั้นเองขอให้ขอให้เพื่อนได้ะไปปฏิบัติตนเต็มเม่เต็มหน่วยอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะมีวิสิทธิ์สูไปก ว, มมว่าแดนสมมุตินี้ฟังจังว่าแดนสมมุติแดนมัตตจกักรกองทุกข์อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เคยได้ยินว่ากองทุกข์มีในทระนิพพานผู้สิ้น จากแดนสมมติคือวิมุตต์แล้วนี่แต่ยังมีแดนสมมติท่านั้นสงสัยอะไรที่น า, านจีการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งเฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระรูดเสียงจินรูสัมผัสทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมผัสอยู่แลน้นี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดบ้างก็มันของเก่านั่นแหละความปรุงแต่งก็คือทั้งขานั่นเก่าสัญ ญ, ญาเก่าปรุงนั่นหมายนี้ปรงนั่นหมายนี้ ตั้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆหลอกเจ้าของสดๆร้อนๆแล้วก็เป็นบ้าไปสดๆดร้อนๆก็คือสั้งขานขันห้านี่แหละเมื่อมั น, ม, ม, นมันมีเคื่ อ, องมันอยู่ภายในมันไม่มีแต่ขันห้าอะไรทขันห้าเลยเป็นเครื่องใช้ของยิ่งเหล็ตัวสําคัญสําคัญเพราะอันถึงหมุนไปไหนจึงหลงจึงเป็นยิ่งเห็กไปเรื่อยๆเมื่อตัวสําคัญมันทังลงไปแล้วก็มีแต่ขันจนล้วนก็เคยพูดแล้วว่ามันก็เหมือนจะหางจิ้งเหลนมันขาดดิ้นอยู่เฉยๆไม่มีความหมาย เราเคยเห็นแมห่หางจิงเหลียนขาดเวลามันกระทบกระเทือนอะไรเนี่ยหางมันขาดตัวของมันวิ่งไปแล้วแต่หางมันกระดุกเด็กเด็กๆของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมีความหมายอะไรคับหางที่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนั่นี่ก็เหมือนกันเรื่องขันก็เป็นอย่างนั้นเมื <ME> ่อตัวใหญ่คือตัวสําคัญได้แต่ที่เหลือมันพังโดยหมดแล้วก็มีแต่ขันนั่นทํางานของมันกระดุกเดกกดุกเ ด, ก ด, กดก็ไม่อย่านมีความหมายอะไรมนเปลี่ยนเวลานมีตัวนั้นเข้ามาที่ ตัวนั้นเป็นผู้หนุนออกมานี่โอ้โหแหลกเลยนะเออว่าอะไรเป็ น, นว่านั้นจริงจริงจริงไม่จริงก็ตามมันเสกขึ้นมาเสกขึ้นมาอันนั้นดีงั้นอันนี้นดีอย่างนี้อันนสวยอันนี้นนนงามนี่เหมือนจะนุ่นเลยฟ้าเลยสวรรค์เลยฟุโโมโลกขนุนความดีความเด่นของสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันเศษสันต์นยอลหลอ่อพกตาฟ้าตา ฟ, า, ต า, ฟางตาบอดทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วพอธรรมชาตินั้นมันพังไปแล้วอะไรมาเศษ คิดกระปรุงประจานธรรมะธรรมดาของธาตุของขัน ย, ยิบยิบปี๊ยไปซะนั้นหมดไปหมดไปดไปรุงขึ้นเท่าไรก็ดับเหมือนก็มัเหมือนเขาหางชิงเหลินขาดมันอะดูเอาใครยัไม่เคยเห็นหรือหางชิงเหลินขาดไปไี๊ยไงยุคดิบๆไม่มีความหมายในหางมันน่ะอันนี้ขันก็ไม่มีความหมายตัวเองเมื่อไม่มีใครเข้ามาเป็นเจ้าของก็งอย่างเดียวแล้วนันคําว่าเจ้าของในสถานที่นี้เจ้าของที่เป็นฝ่ายสมุทัยนะ ไ, ได้แต่ที่เล็กเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีทีเดียว เพอตัวสมุทรไทยได้เศษที่เด็ดมันพังไปแล้วไม่มีเจ้าของทําเป็นเจ้าของท่านไม่ยึดท่านไม่ถือนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นเจ้าของด้วยซ้ําไปหากใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันท่านสิ้นที่เด็ดไปหมดแล้วไม่มีอะไรยึดวับเป็นเราเป็นของเราแล้วท่านก็ใช้ขันนั่นแหละแต่ทำประโยชน์ให้แก่โลกพระพุทธเจ้าประกาศสอนรำมาตั้งสี่สิบห้าปีไปไหก็เอาขันนั่นแหละ ใช่ภาษาวกทั้งหลายเหมือนกันแนะนํำกางสอนไม่เอาขันแนะนําไม่ขันใช้เอาอะไรใช้นี่ท่านก็ใช้อยู่นั่นแหะแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือนะไม่เหมือนกิเลสที่เป็นเจ้าของทั้งยึดทั้งถือทั้งหลอกทั้งลองต้มถู น, น, น, นทุกแง่ทุกมุมไม่มีคํำมาจิดจังการต้มถูนก็ดีผู้เชื่อเขาไมมีความจีดจังหลงเป็นบ้าไปตลอดเลยเนี่ยถึง ว, วัดตะวนมันวนอยู่ตลอดอย่างนี้อยู่ว่าของเก่านั่นแหละมันไม่ได้มาสะดุดใจเลยว่านี่เป็นของเก่านั่นนี่ เช่นคำบุคำดาว่ากาคำชนะเสรนินทาเหล่านี้เอสะธโมสนันโนท่านท่านก็ บ, บอกไปแล้วว่าเหล่านี้เป็นของเก่าเป็นธรรมมาดั้งเดิมน่อยอย่าหลงเราก็ยังหลงจนได้บ้างไงงี่ง้อไว้พวกเราออืพูดถึงเรืโยนธาตุเรื่องขันมันเกิดขึ้นจากนี้แหละมันตึงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสดๆร้อนๆเหมือนเกิดมาเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งตื่นตื่นเ ต, ต, ต้นบุ่นไปหมด เตือนทางรักก็รักจนเป็นบ้าดืมเนื้อดืมตัวตือนทางชังก็ชังจนดืมเนื้อดืมตัวอีนี่จะเรื่องจมเรื่องจมอะไรกันหมดนั่นเลยมัดผลต้องมัดแต่มันก็ไม่รู้อันนี้มันเคยเกิดเมื่อมางแต่เมื่อไหร่เรื่องรักเรืองชังเรื่องความปรุงความแต่งความหลอกร้อนลิ่ต้มถึงตอนนีน้มันก็ออกมาจากขันขันก็ออกมาจากวิชาปัญญาตั้งข้าราชเป็นตัวสําคัญที่หนไม่เป็นนั่นแหะคือเจ้าของใหญ่โตที่สุดคือตัวนั้นเมื่อนั้นทั้งไวหมดแล้วมีจะมีอะไร ขันก็เพียงเท่านั้นนะยึดยบดถถ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท่านอยู่ทั้งนั้นท่านพอแล้วเพราะท่านถึงความพอทำมีความพอแม้แต่สมาธิยังพอได้มาเต็มภูมิแล้วจะทําอะไรให้ยิ่งกว่านั้นไม่ยิ่งอยู่แค่นั้นนะทำเหมือนกักนหมดหมดปัญญาทำเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วเอาบิด ม, มุตดดุพ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วปัญญาก็พอ หามาใช้อะไรอีกหยุกก็พอหาอะไรอีกนั่นทำมีเมืองพอวิเลตแล้วไม่มีคำว่าพอหี ก, กับอยีกันเพราะงั้งคำว่าตายจริงอยากเข้าใจว่ามันจะพอนะตายนี้่จะอิ่นจากตัวของเราต่อไปนี่จะไม่ตายเพราะตายมาเกิดเคยเกิดเคยตายเคยทุกข์เคยยากลําบากมาหลายพวกหลายชาติแล้วตอนนี้มันจะมันจะเต็มถ้าเป็นองค์ก็เต็มโอค์ถ้าเป็นถังน้ําก็เต็มถังแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มอีกแล้วความทุกข์ก็พอแล้วความเกิดแก่เจ็บตายก็พอแล้ว ไม่มีจะเพิ่มเติมอีกก้อนที่เรียนมันไม่พอนั่นฟังชื่อที่นี่เมื่อที่เร็ยนไม่พออะไรพาให้เกิดให้ตายถ้าไม่ใช่เรื่องของทิเรียเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะพอได้ยังไงมันก็ต้องหมุนต้องมาหมุนจริงๆเรียกว่าวัตฏะวัตฏะหมุนอยู่ตลอดนั่นถ้าเราไม่แก้มันไม่พอทางง่ายๆก็ไม่พอเรื่องของทิเรียหมุนโลกหมุนหัวใจสั่นี้ไม่มีคําว่าพอจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแก้ถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วไม่พออืเกิดเท่าไหร่ก็ไม่พอตายเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกข์เท ที่เคยผ่านมาแล้วชั้นใดที่เป็นประคองหน้าคอฉํา น, นั้นเหมือนกันทางข้างหลังไม่พอชั้นใดข้างหน้าก็ไม่พอจํา น, นั้นเหมือนกันแม้ต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นพอในตัวของมันมันหิวมันโหยตลอยเวลารู้ดูปัจจุบันนี้ก็รู้นักภาวนาต้องรู้นี่มันสาคัญที่ตรงนี้นะ้นนมันเห็นเนี่โอ้อยากให้หมู่เพื่อนเห็นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้นี่เต็มหัวใจนะผมจึงริเริ่มพยาพยามแนะนําั่งสอนหมดพรมเถ้วไม่มีอะไรเหลือเลยอ่า ความทุกข์ความทรมานทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเกินหัวใจเรื่องท่านเรื่องขันทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ใจทุกข์นี่แหม่ทุกข์จริงๆมันจะเอาให้เป็นบ้าเป็นบอไปได้ถึงเวลามันทุกข์มากนั่งอะไรมันยิงทุกข์มากนั้นก็ขี้เล็กมันเองแน่พาให้มันให้ทุกข์ขี้เล็กนั่นเนองบีบหัวมันฟาขี้เล็กทำมันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วอะไรที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาบีบบังคับหัวใจไม่มีเลยอย่งว่าไงาฟังยังว่าไม่มีเลย่ะ แล้วทุกจะมาจากไหนทุกหัวใจในหัวใจของพระทหารท่านจะเอาอะไรมาเป็นทุกเรื่องธาตุเรื่องขันยอมรับกันเพราะธาตุขันนี่มันเป็นสมมติโลกมีขันใดธาตุขันท่านก็มีขันนั้นโลกเป็นฉันใดท่านก็เป็ น, น, น, ปนขนนันนั้นเป็นแต่เพียงว่าซึมชาหรือไม่ซึค่าเข้าถึงใจท่านหรือไม่นั่นเท่านั้นเองอันหนึ่งตัวหนึ่งเข้าถึงใจธาตุขันสมมุติทั้งหลายกับทุกทั้งหลายนี่เข้าถึงกันกับหัวใจหัวใจเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันทุกมากทุกน้อยเพียงไรก็กระเพื่นหัวใจมากน้อยจช่นั้น แต่ท่านไม่ไเป็นอย่างนั้นทุกมากทุกน้อยก็รู้ว่ามันเป็นอยู่ในภายในทานในขันนี้จะทํายังไงให้เข้าไปซึมซาบภายในจิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าอัา น, ะ น, ะ, นะนั่งั้นสิระหว่างบุมมดกับโสมดขาดจดกันก็ไมนเห็นงั้นสิถ้าต่อกันได้อยู่จะเรียกว่าบุมมดได้ยังไงใครละใครจะไปสนใจมาต่อก็เป็นอัานะแล้วนั่นทามามันเห็นหนั่งั้นสิยึดที่พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นยังไงนะ การหุดที่ถูกบีบบงังคับในตลอดเวลาตป็นยังไงเนี่ยความเพียรของเรานี่ก็เพื่อจะสลัดปัดสิ่งนี้นทั้งหลายเ่านี้ที่มันบีบบงังคับมัดใจนี้ออกเป็นลําดับเวลาให้เบาลงไปเบาลงไปสมาธิช่วยทางหนึ่งเนี่ยขนออกทางหนึ่งปัญญาช่วอีกทางหนึ่งขนออกทางหนึ่งขนลงไปขนลงไ ป, นงไปจกกนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือทังหารประกัตภูมิน่าหนักไปหนึ่งออกจางนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นยิมดูดเนีมันเป็นยิมูแล้วมันหมดปัญหาโดยการทั้งปวง ถ้ามีอะไรเป็นัญหาความเพียรที่ทุ่มมาแค่เป็นธาตุใดนั่นอ่ะต้องมายึดติกันตรงนั้นพอถึงนั้นแล้วก็หมดนี่เรื่องทุกข์ทรมานอะไรเพรประการประกอบความภาคเพียรเท่าไหร่หมดตรงที่เดืยดได้หมด ท, ทุกสิ่งอย่างหมดเลยนั่นความทุกข์นี่มาแต่ไหนมันก็บอกได้ว่ามาจากที่เดือดนั่นเองจะมาจากทำที่ไหนได้ทำถ้ามาทำอใไรให้เป็นทุกข์ที่เดือดมีมากมีน้อยต้องเลยเป็นความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้ฟาดเหยียบกัน เมื่อขี่เดืดเบาลงไปบาลงไปเกินกระตั้งหมดเอาอะไรมาเป็นทุกข์องนีความเพียรเพราะอายนั่นก็หมดมันเห็นหัวใจของธรมรมะโบราณนี้สดๆร้อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่สำคัญที่ขีเดืดมันทุกข์มันต่อยหัวใจเราทีมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่ เปลี่ยนเรื่องของเป็นเรื่องของกิเลสนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมนะมันเปลี่ยนไปร้อยสรรพันคมไม่จะเปลี่ยนเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งหมดนี่ที่เราไม่ทันมันสุ ด, ดท้ายกา канале, ็ธรรมก็ห่างเหินไปแท้ๆห่างเหินไปจนกระทั่งถึงธรรมไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานไม่ม mm ีไปแล้วโน่นเห็นมไหมกิเลสมันตีออกตีออกห่างออกขาว่างไล่ลงไปกลางมหาสมุทรมหาสมุทรมารยมวัตตจักอย่างๆมันไม่ได้ไล่ขึ้นฝั่งเจอนี่อานําคัญน่าทุเล็จริงๆนะ ทั้งทังที่ทำก็จะว่าชั่วคาทำจับไม่ชอบแล้วชอบแล้วชอบคือฆ่าก่เรลยได้นั่นเองจะเป็นอะไรไปพระพุทธเจ้าเคยฆ่าสันตดสาวกท่านเคยฆ่าสันติด้วยทำเหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็ฆ่าได้ด้วยทำเหล่านี้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเลยนี่ถ้าพูดถึหลับธรรมชาติที่สุดแล้วนอนอยู่ในี่นนเลสมันพิษมันเปลี่ยนไปนั่นคือเราไม่ทันมันโอ้โหพูดแล้วนะทุเรศมา อันนี้ก็ฉันจะพูดเพียงขนาดนี้เนีหนื่อยผมเหนื่อยนะพูดด้วยความเหนื่อยนะั้นทนไหมพูดไปหยุดไปเหน่อยไปลากเช้นไปอะไรนั่นแหละมันเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองที่เนี่นมาเพลิดเป็นเดือนกว่าแล้วนี่ยมาพูดธรรมาบ้างวันนี้มันก็ฝืนกันอยู่เพราะเพีเยนนี่วันนี้แต่เราก็เอาที่ว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ไ อบรมสั่งสอนมาซะนานแสนา น, สนานเอานี้มาบังคับทาสขันถึงได้ถูถไถกันลงมาหอาละพอวันนี้ผมก็พยายามไม่มีงานก็นอย่างที่ว่าเน้ะไม่ให้มีงานอะไรเลยที่ดูที่งานนิมนต์ที่ไหนผมก็กักกันแล้ไม่เหมือนผมไม่ให้ใครมายุ่งเ mm hmm. พื่อให้เปความสะดวกแก่หมูแก่เพื่อนเห็นใจที่เราก็เป็นอย่างนั้นใครมายุ่งผมได้มา่อไรแต่ยังบอกได้อันนี้ผมก็ทําแบบนั้น ให้หมู่เพววืนได้บําเพ็ญสะดวกสบายยุเหน่อยนอนจากข้อวัตริบัตธรรมดาธรรมดาเป็นกรรมปเวลานี้ไปเลิวแล้ววันนั้นถามความเพียรเอาปั้นลงไปวิธีไหนถ่าไหนแก่กัรท่าไหนเอานั่นไม่เลยพร็เจ้ า, าแล้วมันเป็นภัยเป็นภัยมาจากไหนจะได้โอ้พระเจ้าพระองค์ใดที่มาหเห็นว่าเย้เป็นคุนนอนยังมานอนจมมันอย่าไม่รับไม่ลืมหูลืมตาอย่งเกินไป อี่ อ, อะไรจะละเอียดยังบอกยิ่งยิงไม่งั้นมันคลองลเลกได้ยังไงนี่คือสำคัญมันสวมรอยนีน่ไม่รู้เลยนะพวกเรานี่ดูนะสวมสวมลอยแทรกรอยสวมลอยสวมลอ ย, อ ย, อยไม่รู้ไม่รูเลยเออถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดนะมันถึงทันกันมันถึงเลยรู้เรื่องกันธรรมดานี่โอยไม่ทันนะ ขั้นสมาธิมันกระเพื่อยเนี่สมาธิสบายเนี่นั่นเสียมันถ mm ือ hmm. ว่าเราปาพกพอมุ่นวายเไรได้ด้วยสมาธิอยู่นั้นเสียงแต่มันเข้าไปกองมันอย่างนั้นไม่เห็นเลยนิยรับดปัญญาต า, ขามขั้นหนามนั่นมันไม่ได้รู้แต่กระจายกระจายไม่ทราบ mm hmm. ว่าแม่ว่าลูกว่าปู่ย่าตายายมันออกจากนั้นหมดก่อนนั้นหมดอั น, นปัญญา มันเรี่ยงต่างกันเนี่ยเ่องข้าถึงขั้นละเอียดเท่าไรเท่าไรนีนี่เห็นความละเอียดของกิเลสมีเลสมันซึมชาบเนั่นฟังดิส่วนนะเอียอมันจริงมันซึมชาบไม่รู้เลยนซึมชาบเมืนน้ำชาบน้ำจืดทีนี้สติปัญญาขั้นซึมชาบมันเหมือนนั่นหน่ะมันทันกันอ่ะเอถ้าสติปัญญา ไม่ถึงกันส er er. ึงทราบมันก็ยังไม่ทันกันเลยเมื่อเรามันถึงกั้นถึงทราบด้วยกันไปนั้นตามกันได้หมดเลยพรามันสึงทราบด้วยกันนี่ยิ่งที่ด้วยโถที่เด็ดขนาดนั้นเท่านั้นขนาดนั้นเท่านั้นปัญญาก็เหมือนน้าซับน้าสูงมันไหลมันซึมม่วนไปเหมือนกับไฟได้เชื่ออย่างว่าไม่ถึงขนาดเที่ยบไฟได้เชื่อนี่กงมันแต็งเลยทีเดเหมือนกับเชื่อไฟที่ละเอียดที่สุดนั่ะส่วนระยาบก็เป็นอันหนึ่ง ส่วนที่ละเอียดที่ละอียดของเชื้อไฟอันี่ก็ละเอียดส่วนยาก็เป็นอีกหนึ่งพอถึงขั้นละเอียดจริงๆี่ละเอียดไม่ละเอียดอย่างนั่งนั่นอย่ที่เหมือนเชื้อไฟอันนี้ก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนเหมือนไฟได้เชื่ออีกอย่าง่นี้มันซึมซาบเหมือนกันมันละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ตามเผากันละเอียดตามตามกันนี่สําคัญมากโอ้โหให้อามาพูดเ่ะ ท่านประธานธนาเคยยิน ไ, ได้่ผมคุยนะมาพูดอย่างนี้ยังไม่ยังไม่ได้คิดกันดีว่าหรือเฉยธรรมดานะไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยเลยที่พูดนี้นี่คือความจริงถ้าเราจะค้นหาตาราตรงนี้ตงไม่ได้ว่างั้นตำรานี่มีไหมตำราว่าอย่างนี้เนี่ยแต่ ท, ท่านทีแต่ความจริงมนมีจะว่างไงนั่นืมขอความจริงนี่ นี่เต็มโลกกับท่านแต่วรารู้ไม่รู้ความจิงจะรู้อะไรนั่นเนี่ยที่ว่ารดูชาตดชาดว่าที่เรือนมันละเอียดมากหนามากหนามากหนาคือเห็นออัน ด, ดังนั้นเทียเชือไฟอย่ น, นี้เหมือนอย่างขอนซุ้มทั้งขอนทั้งท่อนนี่ออกมาเผาก็เห็นใช่ไหมละ่ะแล้วมันเล็กกว่า น, นั้นเอานั่นก็ะฟืนเอาเชือไฟอะไรก็ด้เอาเห็ น, เ ห, นเห็นก็ไปเรง ด, ด, ด่ๆก็เห็นที่เวลาละเอียดก็มากกว่านั้นอีกนั่น มันก็มือนไปไมก่กองกองกองแแบบน่ะแแบไม่สูงแต่ไฟมันก็สูงอยู่ข้างในเอาจนเป็นเท่าใป็นฐานมือใชได้แกบบพอดีนนัไฟไม่แตบเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนไม้สูงทั้งท่อนนะมันผิดกันไม้อย่างละเอียดของมันเช่อนอย่างไม้ไปขี้เรื่อยขี้เรื่อยอะไรแบบนี้ยมันจะไม้อย่างั้นละเอียดนั่นแหละที่ปัญญาไม่เข้าไม่อยู่เลยอย่างนั้นเราพอเทียบดังนั้นอามิทัมันหมดนั่นแหละไม่มีเหลือ ขอจะว่าเป็นเชื่อไปเถอะยังไงมันก็พังหมดยังไงก็ทิพไายหมดลงเลยไฟประเภทนี้ได้เข้าแล้วี่คือปัญญาเพืเอนนี่มันซึงมันทราบเข้าไปอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นเนื้อว่ากิเด็ว่ามันจะเยอะแยะรู้ได้ไงไม่สิตวัดอันหนักไม่รู้เนื้อที่ดูอย่างพระข้างพุทธการที่ว่าไปภาวนาแล้วั้องการวาตุนต้องหนดบอรหันนะ จะเข้ามาทูลพระพุทธเจ้าจู๊โอรับสั่งให้พระอนุ์ไปนยินกันไวท้ที่หน้าซุ้มประตูก็เิตะวันนี่แหละนะอยให้ภ า, าพเวลาภาพเอานั่นมาอย่ามาให้มหาเรานั่งไล่เ ป, ประช า, น, ปปะชาะนี่นาไล่เปตตะชาวันนั้นเขาจะบรรเร็ลแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าโอ้รับสั่งให้ไปไล่เ ป, ปรตะชาที่เมื่อเที่ยวแล้วก็ แต่เชื่อถ้ายังไล่ไปปรชาชัยอยู่ก็แสดงว่าราคาตันหาน ย, ย, ยังมันยังมีแล้วขั้นราคาตันหามันยังไม่สิ้นมันจะทำอะมันจึงสำเร็จแต่ไปสําคัญตัวว่าเป็นสำเร็จปราชญ์ได้นี่อันหนึ่งผมคิดเหมือนกันนื่อย่างนี้เนาะคือก็มันคือพวกเซอร์น่นเลยพวกปารูดินนั่นแะพวกเนี้ยพวกไห น, นพวกปราชญ์นกยินยังราคามันยังไม่สิ้นถ้าว่าสิ้นราคาแล้วพวงจะได้ไปหาปราชา์ทำไมปรชาชญ์เป็นเครื่องแก้ราคานี่ะ ผู้ที่ผ่านไปแล้วจำเป็นอะไรกับลักกับปัจุบันปัจฉาปตอนจําเป็นจําเป็นจริงเต็มที่เต็มฐานเนี่ยนี่ไม่จําเป็นได้ไงมันแต่มีในหัวใจให้รู้กันอยู่เนี่ยนั่นพอรำหมดความจำเป็นนี้แล้วไปไปเยี่ยมอะไรปัจฉามัก็รู้อีกแน่เวลาคันมันผ่านของมันมันก็รู้ชัดชัดชัดัดใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจทันทีที่โกว่างไอ้พระอะไรนั่นในสําวัตรสำคัญมาตนเป็นทัะฤาษีเป็นพระรหัสแล้วจะมาทูลถวายผู้นิจเจ้าพระองค์รับสั่งให้จะให้มา พระนั้นมาเราจะให้ามาไล่ตระวนช้านี่คือพวกนี้แม้แต่ราคาจะไม่สิ้นนี่คือแล้วแล้วสาเร็จแล้วก็จะว่าสำเร็จแล้วนี่ดีพวกนั้นแหละผู้เรียกมานี่รับสั่งว่าพรงนั้นเอานกพิณมาด้วยเฮ้ยนกพิณนะผมพิณน่ะมันอดพิณน่ะอะไทุกวันนี้อะไรก็ตามมันมันจะวิ่งของมันเลยนะมันเป็นในหลักธรรมชาติของปีนี้วางเลมองเห็นอะไรอะไรก็ตามนะมัน คือว่าคูยไม่คุยกับตามมันไม่ได้ไปเซ่อเซ่อซ่าๆว่างั้นมันเป็นธรรมชาติอะไรอะไรสัมผัสท่านนี่อันนี้มันรับกันอยู่แล้วอย่างนี้รู้มันอยู่กับตัวเดี๋ยวคำว่าคํารู้นี้มันก็อยู่กับตัวอะไรมันอย่างนี้มันหมุนตี้วเตี้ยวมันถ้าเวามันจะผัสอลไรมันจะมันจะวิ่งของมันเองหลวงพ่ออรหันต์เหล่านั้นมาทูลพระเจ้าร่ายปฏิาโดยรับป ประชาชนก็รู้กินของเาโอ้โหกินเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นนี่พิจารณาใหม่แต่คดีหนา้าขงเราสเร็จนะฮะ응ก็เรียยูนบุญเดี๋ยวนี้กเรียยูน่ะถําม่าอยู่ปัญสาาัยอยอะหน่อยอ่านะมีปัญาเป็นเรีย อ, องวนะ่าหลงกลองกิเลสอะไรวหมให้จนสำเร็จแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นขั้นทดลองกันนี้ใหม่เอาจริงทดลองดังนั้นจริงๆเรียกว่าปัญญาที ทดสอบคนทุกเนี่ยทุกมุมหนึ่งที่ว่ามันค่อยมัค่อยหมดไปหมดไปหายเงียบไปเลยไม่เอาไม่เอาอยู่นั่นอืองั้นเลยเอามาทดลองกันเขาพูด่หมู่เพื่อนฟังนะเพราะหน้าของปัญญาขั้นะสุภาสุพัง์นี้มันรวดเร็วนะเร็วขนาดนั้นเวลาเร็วเร็วจริงจริงมันทํานานน้ำมันจะขนาดนั้ น, น, น, นมองเห็นภาพเลยมันพุ่งเลยหมด เดินไปสามเก้านี้มันพิจารารอบถึงห้าห้ารอบเร็วหรือไม่เร็วครั้งนี้น่าหนักหนีดใครประมาทได้เมื่อไหร่เวลาถึงขั้นชานาญทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับเฉลี่ยมันเร็วของมันทําขั้นใดที่มันชำนาลญของมันก็เร็วมันเหมือนกันนั้นมองดูคนนี่เราเดินไปได้สามเก้ามันมันวิ่งรอบได้ห้ารอบหมดความเร็วของมัน แล้วอาลรมันหล่อมันก็ลงในนั้นหมดลงในที่ความทํานานของมันแตว่าก้องกระดูมันก็มีแต่ก้องกระดูดด้่ว่าเป็นเนื้อมันก็มีแต่เนื้อที่เต็มไปหมดมันไม่ได้เห็นความเสียวองามงามที่ตรงไหนผิวผิวเหมืนไม่มันไม่อยู่นี่มันพุ่งไปพังไปหมดเลยความเร็วนั่นเวลามันทํานาญเนี่ยกับขั้นประชานมันเข้ากันได้นี้พอเรื่องเป็นเรื่องรูปเนี่ยเรื่องรูปเรื่องอยากนี่ย การมรรคะเป็นเรื่องหยากเรื่องลูกเพราะนั้นท่านถึงไล่ออกไปป่ชาช้าพอผ่านอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรป่าช้าอะไรมันก็รู้เองมังเมื่อวันหมดอันนี้แล้วจะพิจารณาอะไรก็แล้วแต่นามาทําล้วนๆอบรมพิจารณาสัญญาสังการวญญินญาณเป็นเองนะคือจะพิจารณาลูกจะพิจารณาอะไรเพามันอิ่มตัวมันพอแล้ว เหมือนกับเราอิ่มแล้วอาหารประเภทนี้เอามาจับยัดเข่ามันก็ไม่เอาถเวลามันรู้แล้วมันพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรูปมันก็อยู่ในขั้นอะไถ้าพูดจึงเป็นขั้นนะเวลาจิตมันผ่านอย่างนั้นไปแล้วมันมันก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันบครั้าจิตจะก่อนพัฒนันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมีห่างกันเมื่อไหร่พ่านึงก็ตลอเวลาแล้วเวลามันมันปัดมันก็ปัดอย่างนั้นสิเห็นทำอะไรมันก็ไม่เอาผมรู้ด้วยนะเจ้ของก็ไม่สงสัยแน่ ส่วนไหนที่มันพันมันกับอย่างพวกนมามธรรมมันเป็นละเอียดอันนี้ละเอียดกว่า น, นั่นปัญญาที่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับรูปนีิโถเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำํำมืนอนหลาโจรออกมาจากภูเขานะ่ะหรื อ, อไหลออกมาจากหน้าผาฝนลงมันแรงเข้ามันปัญญาผ่าโผลนมากทีเดียวถ้าเป็นน้าก็เสียังล้ น, นหมดนหละน้ําโจรเขา น้ำไหลลงมาจากหน้าผาตกลงพื้นสันนันวันไวห้หมดแล้วปัญญาประเภทนี้ขั้นนี้รุนแรงขนาด น, นั้นพูดถึงเรื่องความ ร, รวดเร็วมันก็รวดเร็วไปตามขั้นของมันแต่จะให้มันละเอียดชุม่มไปเหมือนอันนั้นไม่เหมือนนี่มันก็รู้กันอย่างนั้นนี่ พอพอนี่มันผ่านไปแล้วปัญญากระเพือนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะอไม่ต้องว่าได้หยุดอย่างงั้นได้หยูดที่นี่นะมันต้องพอดีกันนั่นแหละหอะวางไงถึงขั้นนั้นอยู่ไม่ต้องบอกมันเป็นอย่างไรทำละเอย ๆ, ๆนะไม่ต้องบอกอมันต้องไหลลื่น ม, มันไปเรื่อยๆไลลื่นนี่ก็ละเอยดเข้ไปอีกนะไม่ใช่ไปเชียงไลลื่นที่นี่อยู่ระดับนี้นะ มันไรยินเข้าไปล้วยเข้าไปไหลยิงเข้าไปแล้ยเข้าไปเลี่ยเข้าไปจะไปั้งที่ว่าซึมทราบซึมทราบนู่นที่ไหนปัญญาพูดแล้ก็พูดอย่างนั้นแล้วทำไมเป็นกับเจ้าของแล้ว่ายังว่าทำเป็นแล้วอ๋อออใจดูแต่บาทีผมพูดนี่นะขอให้จิตเป็นเท่ะนะผมตาไปแล้วก็ตามเรื่องนี้จะไปกังวันในหัวใจท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้ฟังกับผม่นีสมงยังไม่เป็นเวลานี้ก็ฟังอยู่แล้ว เวลามันกระเทือนขึ้นมาในหัวใจมันจะวิ่งถึงกันทันทีทันทีเลยไมงั้นคำว่าจะวิสติปัญญากับปริยัติที่ว่าผ้าปฏิบัติกับผ้าปริยัตวิ่งประสานกันว่าได้ยังไงก็อย่างนี้เองมันมันวิ่งมันวิ่งหากันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติแล้วแล้นปฏิบัตินี้มันวิ่งปริยัติเอามาเป็นเครื่องเทียบเทียงหมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องยืนยันกันมันจะวิ่งถึงกันอย่างนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์พูดคือที่ไหนวะถึงเวลาปริยัติจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไว้ไม่่่อยูทานวะั ถาพอดีแบบับพ่อพอดีญาตมันจะวิ่งประสานกัแต่เวลานี้ให้พักไว้ก่อนอย่าด่วนไปยุ่งมันจะเกิดสัญญารมเนี่ยท่านบอกละเอียดมากนะเพราะเราอาจารย์พูดยอมรับหมดนี่ที่ว่างเลเพามันเป็นจริงเป็นหัวใจเราได้ปฏิบัติพเรื่อเดียวการว่านั้นยอมรับแล้วก็เอาปฏิบัติพวกอะไรไม่ยุ่งกับพอดีญาติเลยเดือนมาอะไรไม่สนใจเอาจิดตมันอยู่อยู่อยู่โบรามันออกทางด้านบัญญาท่านนี้เอาท่านบอกมันจะวิ่งประสานกันาไม่มาอยู่น่ะจริงจริงนะ ถูนั่นว่าไงคำพรินีิว่าไงแล้ันมันทักวิ่งมันทเป็นน้ำมันมันรับยิ่งประสานกันประสานกันทั้งช่วยแกย้ช่วยสอนทั้งช่วยเป็นษษษปฏิพยานปริยัตนะิน่ะพระพาวุธปฏิบัตินี่มันเป็นขึ้นมาสดๆร้อนๆพระปฏิญมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันวิ่งถึงกันมารับกันรับกันรับกันแล้วก็ลงใจลงใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ฝูดลงมากลงผลจะไม่มีใครเชื่อกันนะ หัวเลาะกันนะโอ้นี้ผมก็ทุเรศเหมือนกันน่ะมันทําให้คิดเป็หมดเลยต่อไปเนี่ยคิดที่เหลรศมันหนามันแน่นมันด้านเขาสงบพอแล้วแล้วพูดทํามาไม่ได้นะอยู่ปุถุลงมาลงผลแล้วหัวเลาะกันเลยนะขนาดนั้นที่เมื่อวันนี้มันานมากนะมันได้ครอบตลาดโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือยังมีว่าคำว่าบุญว่าบาปว่ามรรคผลนิพพานมันมีอยู่ชาวพุทธเรายันมีเชื่ออยู่ ต่อไปนี่ชาพูดเรานี้แหละเราไม่ได้พูดเลชาวไหนที่เขาไม่เคยเริ่มจากธรรมะเช่นไอตูนี่พูดกับมันทำไมใช่ไหมละ่ะเ้าพูดถึงเรื่องคนชาวพูดเรานี่เพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานให้ได้เชื่อกันนะหัวรอกกันไม่ทัือจับไว้นะเอาลหัว อ, อกัมนมขึ้นชืว่วธรรมจะเป็นของเด่นทั้งนั้นแต่จริงโดยสายเดียวตั้งแต่เกิดมีทัไงจริงหมด เมือ่อเมื่อของปอมในกา ร, ปรดป็ของจริงขึน้นมาด้วยความมีอำนาจของมันแล้วของจริงมีเท่าไรเป็นน้าล่มล่มล่มละลายไปหมดความอำนาจของปอมมันเข้าทำลายทำลายน่หละต่อไปจะเป็นเดี๋ยวนี้มันกำลังเริกอยเรื่เราไม่เห็นได้โมท้ทุกสิ่งทุกอย่างมืองไทยนี่นของเมืองเป็นเมืองพุดเวลาปฏิบั ต, ติต่อหนะ้าที่การงานประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปแทรก เลยอย่างนี้เชื่อนผมไม่ตัว ม, มากอยนะ่างนั้นที่จะเชี่อเขาไปทํางานจริงดิจริงไถจริงคดรจริงโก่งไ ด, ด้ทุกแง่ทุกมุมมดทุกเล็กทีเดียถ้าลองทำมาแล้วทำํำไม่ร้องนะนัะ่นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองแน่หนามั่นคงเราเป็นกิ่งก้านสาขาของของต้ น, ตนของต้นก็คือชาติต่างคนต่างคนขวายเพื่อต้นเพื่อลําเพื่อบำดุงลําต้น แต่แขนงไปก็ส ด, สดชื่นสดชื่นสดชื่นสวยงามสวยงามเฮ้มีคนนั่นขุดรากนั่นก็นมาคนื่้ขุดรากนี้ก็มาคนนั้นตัดกิ่งนั่นก็นมาตีนี้ก็มาด้วยหน้าที่การงานตัวเองเพราะความโลภ น, นั่นสินี่มันมาตัวเองอนาะะว่าบ้าก็าตามความจริงมันเป็นอย่างไรบ้าเวลาพูดธรรมะหัวเราะ ก, กันนี่นะพ่พูดอย่างนี้แล้วมันจะหดนะแปลง ถ้ามันไปมาพูดแบบนี้มันหดมันจะเล่นกับอะไรเลยนะได้ช่างชีดีช่างไทยเถอะไปนั่นเสียเนื้อมันก็ถอยกู้เลยไม่ได้รับิดชอบเขาเหลือะนพูดเป็นไม่นานนะมันจะมีอะไรขึ้นรับกันไปนะยุ่อะไรเนยโลกเรื่องโลกเรื่องนี่เลยก็ทำมันเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยเนี่ยเนี่ยทิ้ปุ๊บเลยไม่ใช่มันไปแบบเดียวนมันมันมีของมันลรับกันรับกันเลย มันพอที่จะเป็นก็ได้เราก็พูดไปเรื่องอย่างนี้นะบางทีคนดีดีจะไม่มีอะไรแต่น่าประหาคาญไม่ทําทํางานเนี้เพราะมันมีแต่ช่วยช่วยช่วยช่วยชาติสกปรกสกปรกเต็มเต็มหน้าที่การงานเต็มโตเต็มเก้าอี้เต็มไปหมดเลยพวกคนดีก็มีทำเมื่อกลับลคามเนาะแต่ถูกบีบถูกบังคับถูกดีถูกกันทูกหลายด้านหลายทาง ปลูกธรรมชาตินี่สิเหมือนอย่งางหัวใจเราที่มันยังไม่ได้หลักได้เกี่ยนได้ไดทํามไม่ได้ที่เด็ิจีดกันบังคับทุกแน่ทุกมุมมันจะตายเพราะที่ดบ็บังคับอยู่เทียบออกไปสิทําไม่เหมือเป็นหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวโรคโรันปูกครองกันอย่างเดียวนี่โอ้โหโรคควเสียโลกโลกกับโลกเป็นการเดียวกันไว้หน้าใครเมื่อไหร่ผ้าให้แก้ไขทันทีนะ ม่นั้นจะมาทำขวางวัดไว้อย่นี่นะพาว่านี่กูวาจานันมันก็คนตาบอดพอจะพาละกนูรับการทำมันก็ไม่ถูกนี่มันจะเป็นแบบแนวนะจำม่ดีนะคำพูดอย่นี้ดูลักษณะมันบอกทุกอย่างแล้วดไปไม่กี่วันนะกลับมาตึงอะไรขึ้นมาแล้ไ กูเลือกหรอนะเรามาจนเป็นอย่างนั้นแบบตามชอบใจแล้วเสร็จนะหัานหอมกับเทียมไม่ทันนะมันแบบตามชอบใจอย่างนะั้นอย่างสวายสวายล้วนะดูแล้วฮาาน่าได้อะไรเป็นหลั ก, กไม่รู้นะนึกเอาคิดเอาไปอย่างนั้นนั่นแะนั่นและรงบ้าใหญ่หรอพลัลงไปใหญ่ เอาความสงบเดินใจมาจากไหนเดียวเพราะนั้นเรารู้แล้วนี่ก็ภาวนามาก่อนแล้ววะไม่เอาคําบริกรรมบังคับติตถึงตลอดเวลานั้นจะเอาจะทำํำอะไรได้วิชาวิเศษวิโสเลือนโลกมาจากไหนแปลประหลาดโลกมาจากไหนไม่ทํามาทํามาทําอย่างนั้นมันขวางวัดเราหน้าเดนนี่นะแล้วยังไม่อยู่วัดหล่ะท่านน ล, นลนัก็นทีไปไม่ให้อยู่ เพราะเราเป็นเอิเมันคนสอนนีงนะเราไม่สนใจในการสอนของเรานะมันทํำไมถึงได้บ้าๆบอๆย่างนั้นมามองดูเรื่องดูไม่ได้ยนะังกระหายยงภูมิใจอยู่เลยนั่นจะไปเที่ยวหาความภูมิใจอยู่หลือไงเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านะนนบ้าแบบโลกโลก มาแข่งทำทำไมโลกงมันโล่นแล้วก็ไม่ควรมีศาสนาเอาล่ ะ, ะเรื่ันเถอะเหนื่อยเหรอไปนี่ไปนอนเอาเนี้ออกนะ